ความหมายของภาวิตตตาเนี่ยนะมีตนอันอบรมแล้วความหมายแรกก็คือมีจิตอบรมแล้วความหมายที่สองก็คือภายในอัตภาพอนะหมายถึงอบรมภายในอ่ะไม่ใช่ไปอบรมคนอื่นนะภายในการฝึกไม่ใช่ไปเที่ยวฝึกคนอื่นเนี่ยนะหมายถึงฝึกตัวเองเนี่ยนะถ้าคนไม่ได้ฝึกตัวเองนะถึงไปสอนใวยคนอื่นฝึกมีใครเอาเขาด้วยหรอกแต่คนที่ไปฝึกคนอื่นได้เนื่องจากฝึกตัวเองก่อนอีกในอย่างหนึ่งภาวิตตานังเนี่ยแปลว่าอัมีอัตภาพอันเจริญแล้ว หมายถึงอัตภาพนะภายในตัวนะอธิบายว่าอัตภาพท่านเรียกว่าอัตตาเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งมานะว่าเราอัตภาพตัวนี้เนี่ยนะอันไหนมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะว่าเราในขันธ์หน้าเนี่ยนะเป็นที่ตั้งทั้งนั้นแหละก็แลอัตานั้นนะ่ะอันอัตภาพเหล่านั้นอบรมแล้วด้วยอัปมาทาภาวนาและอนวชาภาวนาคือไอสิ่งที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งสาคัญ อัตภาพอันนี้นะเป็นที่ตั้งแห่งสำคัญว่าว่าเราด้วยอำนาจของมานะใช่ไหมก็เอาสิ่งเหล่านี้มาอบรมมาอบรมด้วยอะไรมาอบรมด้วยอัปปมาทะภาวนาแปลว่าการภาวนาด้วยความไม่ประมาทอะนวัชชภาวนาแปลว่าการภาวนาด้วยไม่มีโทษด้วยธรรมที่ไม่มีโทษนะนะเอาธรรมที่ไม่มีโทษมามาอบรมให้มีขึ้น คือให้ถือเอากลิ่นแห่งคุณธรรมนั้นได้โดยชอบทีเดียวนะเอาให้ได้คุณธรรมอันนั้นให้ได้นะว่า ง, งั้นพระนเรเถระเจ้าแสดงความบริบูรณ์แห่งภาวนาแม้ทั้งสี่จริงภาวนามีสี่คือกายภาวนาสองศีลภาวนาสามจิตตภาวนาสี่ปัญญาภาวนากายภาวนาเนี่ยมีหลายในยด้วยกันนีในหนึ่งก็คือคําว่าอบรมกายกายในที่นี้หมายถึงปัญจทวารนี่นะอบรมตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะ การว่าอบรมกายคืออบรมเอ่อขออภัยอบรมปัญจทวารอบรมอินทรียห้านะคือตาหูจมูกลิ้นกายส่วนอบรมศีนก็คืออบรมกายวิญญาต์วจีวิญญาตินะอบรมวิญญาติรูปอ่ะไม่ให้มีโทษอ่ะอันนี้เรียกว่าอบรมศีนอบรมจิตอ่ะก็อบรมไม่ให้เจตสิกมันวุ่นวายกระจัดกระจายวุ่นไปหมดอ่ะนะแล้วก็อบรมปัญญาเรียกปัญญาภาวนาเพราะฉนั้นพระอรหันตเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ ภาวนาสี่บริบูรณ์นนะปัญจทวารในการรับอารมณ์เนี่ยท่านอบรมไม่ให้มีอากุศลเกิดเลยวิญยติรูปของท่านเนี่ยไม่มีอากุศลเป็นสมุทฐานแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าศีลภาวนาใช่ไหมศีลก็คือวิญยตานั่นเองแล้วก็จิตตภาวนาไม่จิตของท่านเนี่ยได้รับการอบรมให้เป็นปายกับสมถะเป็นอย่างดีเนี่ยนะเข้าชานได้สมประสงค์ส่วนปัญญาภาวนาก็คือ มีปัญญาเห็นอริยสัจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมีปัญญาจนถึงขนาดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะนั้นก็เรียกว่าอบรมปัญญาถึงที่สุดนั้นคำว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วก็คืออบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์อย่างบริบูรณ์ผู้ที่จะภาวนานก็คือการดำเนินไปสู่พระสัมโพธิญาณ เป็นข้ อ, เ, อ, อเริ่มต้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อสู่สัมโพธิญาณสัมโพธิญาณเนี่ยนะโพธิเนี่ยแปลหมายถึงการตรัสรู้เนี่ยนะญาณที่ทําให้ตรัสรู้สัมโพธิสมัมตัวนั้นแปลว่าถูกต้องนั่นนะทั้งหมดเนี่ยพระสัมโพธิญาณเป็นชื่อของอริยมรรคข้อปฏิบัติใดที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคอันนั้นเรียกว่าภาวนาการเจริญกุศลที่ทําให้อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะ กุศลทั้งหมดนั้นเป็นภาวานามหมดเลย<อ>กุศลที่เป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคทีนี้พูดถึงอริยมรรคเนี่ยนะคือสัมโพธทิที่ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรก็คือตรัสรู้สัจจะโดยการตรัสรู้และโดยอัฏฐะแห่งสัจจะเนี่ยนะถ้าว่าโดยสองนะสัจจะเนี่ยโดยการตรัสรู้กับโดยอัฏฐะแห่งสัจจะตัวที่ตรัสรู้คืออะไรคือตัวมรรคมรรคตรัสรู้ยังไง ตรัสรู้อัดของสัจจะสตรัสรู้อัดของทุกว่าบีดคันเนี่ยนะหรือสันตาปณะเนี่ยเร่าร้อนหรือปีละณนะบีดคั้นตรัสรู้อัดของสมูทายว่าอายุหนะณะนำมาซึ่งทุกตรัสรู้นิโรธอัดถาว่าวิเวกหรือสงัดหรือนิสรณนะสลัดออกตรัสรู้มักว่านิยานิกะอันนี้เรียกว่าตรัสรู้อัดถะแห่งสัจจะสำโพทีเนี่ยตัวตรัสรู้สัจจะแบบนี้ แล้วก็ส่วนสัมโพที่มีสา ม, สามความหมายก็ได้หมายถึงสัมมาสัมโพธิญาณที่ตรัสรู้แบบนั้นนะตรัสรู้แบบพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตรัสรู้แบบพระปฏิเจ้พุทธเจ้าหรือตรัสรู้แบบพระสาวกอันผู้ที่มีตนอันอบรมแล้วเนี่ยนะก็คือผู้ที่อบรมภาวนาเพื่อให้อริยมรรคเกิดอริยมรรคนั้นก็แบ่งมาเป็นแบบอริยมรรคของพระพุทธเจ้าอริยมรรคของพระปฏิเจ้พุทธเจ้าอริยมรรคของพระสาวก ก็บอกว่าถ้าสัมมาสัมโพธิเนี่ยเป็นยังไงสัมมาสัมโพธิมีความหมายว่าเพราะตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยชอบด้วยพระองค์เองแปลสัมมาสังตัวแรกเนี่ยแปลว่าถูกต้องอ่ะแปลว่าไม่มีผิดเพี้ยนเลยสังตัวหลังอีกแปลว่าด้วยตัวเองมีสัมสัมสองครั้งไงสัมมาสัมโพธิเนี่ยนะมีสัมสองครั้งสัมตัวนั้นก็แปลว่าจากสังเนี่ยนะว่า สัมมากแปลว่าโดยชอบสมตัวหลังเนี่ยนะสมตัวแรกแปลว่าถูกต้องสมตัวหลังแปลว่าด้วยตัวเองมันก็ตรัสรู้ธรรมะคือสัจจะสี่เนี่ยโดยถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่ด้วยลําพังของตัวเองนะมรรคที่เป็นเหตุใกล้ประทัฐานของสัพพัญยุตยานอริยมรรคอันเนี้ยเป็นเหตุใกล้ของสัพพัญยุตยานนะถ้าอารหัตมรรคอันนั้นไม่มีนะสัพพัญยุตยานเกิดไม่ได้ และสัพพัญยุตยานก็เป็นประาฐานของมัรคยาน ท, ท่านจึงเรียกว่าสัมมาสัมโพธิยาน้วยเหตุนั้นท่านภาษาท่านก็ยกตัวอย่างว่าพระสารีบุตรนะกล่าวว่าพระนามว่าพุทโธได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระสัพพัญยูไม่มีอาจารย์ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสัจจะทั้งหลายเองในธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นพระสัพพัญยู ในธรรมะเหล่านั้นและถึงแล้วซึ่งความชํานาญในพระธรรมทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้เป็นคําของภาษาริบุตรนะไม่ใช่คําของพระอานนุ์เพราะว่าภาษาริบุตรกล่าวไว้ในคัมภีปฏิสัมพิธาหรือคมภีมหานิเทศเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะมันคำหมายของคําว่าพุโทโธในที่นี้เนี่ยแปลว่าผู้ตรัสรู้สัจจะโดยถูกต้องได้ด้วยพระองค์เองไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยอะ่ะมีไหมเจ้าชายศิทธะไปฟังอริยสัจจากผู้ใดผู้หนึ่งก่อนหน้านี้มาไม่มี ท่านเห็นคนแก่ท่านคิดทุกข์สัตว์ได้เอ่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยท่านเอาทุกข์สัตว์มาคิดน่ะทีนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยสมูทายเนี่ยท่านก็รู้กิเลส ท, ทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะวันหนึ่งที่ได้ฟังพระนางกีสาโคเตมีพูดว่าถ้าบุรุษผู้เนี่ยเป็นสะพ่ออ่าเป็นเป็นสามีของนางใดอ่ะดับนางนั้นดับได้แน่เนี่นะมันฟังคําว่าดับมาดับทุกข์มันต้องดับตัณหาสิมันต้องดับกิเลสจริงจะดับจริง ท่านรู้แล้วอะไรเป็นอะไรเดี๋ยนะถา้าถ้าจะดับทุกได้จริงๆก็ ด, ด้วยด้านดับกิเลสอ่ะนะพระโพธิสัตว์ท่านคิดสัจจะสามได้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์นะหนึ่งทุกท่านเห็นนะ่ะใช่ไหมชาติชรามราณาโศกอะปริเทวะท่านเห็นสมุทัยเนี่ยคือเตนเหตุแล้วอันนี้ผ่านรู้ได้ถ้าดับอันนี้ได้ต้องนิพพานได้แต่ว่าข้อปฏิบัติทำยังไงเดี๋ยนะท่านก็เห็นนักบวชปั๊บท่านคิดได้เลยว่าโอ้ ต้องไปบวชนะจึงจะไปปฏิบัติข้อปฏิบัตินั้นได้นะทั้งๆ ท, ที่ยังไม่รู้นะเว้ยต้องไปทํำยังไงก่อนเนี่ยนะแต่ก็ได้ได้ได้โจทย์สามข้อแล้วใช่ไหมในโจทย์สามข้อคือหนึ่งรู้ทุกเนี่ยชีวิตที่เกิดมาทุกทั้งนั้นแหละไม่น่าปราถนาเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยนะพอเห็นคนแก่ท่านคิดถึงเกิดพอเห็นคนเจ็บท่านก็นึกถึงเกิดเห็นคนตายท่านก็นึกถึงเกิด ไอ้เกิดที่มันน่ารังเกียจแท้ๆเลยนะถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่เจ็บถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายไอ้ความเกิดนี่มันน่ารังเกียจเนี่ยนะก็ท่านก็รู้ว่าไอ้เกิดมาจากไหนก็ตันหานั่นแหละนําเกิดนั้นถ้าพอได้ยินนางอกีสาโคตมีนะว่าบุรุษเนี่ยเป็นอ่าเป็นสามีของนารีใดอ่ะนะก็นารีนั้นก็ดับได้ไงทั้นก็ว่าโอ้ฟังคําว่าดับนะก็เลยเออไง ให้สร้อยคอไปพสร้อยคอหนึ่งราคาแสนหนึ่งะนะถอดให้เลยอ่ะบอกโอ้ให้หนางนี่ให้ไดให้เราได้ยินคําว่าดับคําว่าดับในที่นี้หมายถึงดับถ้าดับกิเลสได้มันก็ดับดับทุกได้เอ๊วันนี้ต้องบวชให้ได้เนี่ยนะบวชก็คือจะไปหาทางที่จะที่จะดับกิเลสละกิเลสอันนั้นให้ได้เนี่ยก็เลยใช้คําว่าสแสวงหาว่าอะไรคือกุศลเนี่ยนะคือคือถ้าอ่านพุทธประวัติหรืออ่านในพระสูตรบ่อยๆนะบอกว่า สมัยที่เรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยเราสแสวงหาว่าอะไรคือกุศลนะก็คือสแสวงหากุศลทั้งหลายนั่นเองหลังจากนั้นท่านก็สแสวงหาจนพบะนะทีนี้การสแสวงหากุศลของท่านเนี่ยท่านทํำยังไงดนที่น่าคิดนะว่าเมื่อก่อนเราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเราก็สแสวงหาว่าอะไรนะเป็นอัสาธาของมหาพุทธ อะไรเป็นอาทีนวะของมหาพูทอะไรเป็นนิสรณะของมหาพูทอันนเอาโจทย์อย่างนี้มาแล้วก็ถามไมะคนอ๋อสุขโสมะนัดอันใดาอาศัยมหาพูทเกิดอันนั้นแหละเป็นอาสาทะความที่มหาพูทไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั่นแหละเป็นอาทีนวะการกําจัดฉันทราค่าในมหาพูทได้นี่แหละเป็นนิสรณะอันนี้นีกแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งเขาบอกว่ า, วาอะไรเป็นอาสาทะอาทีนวะนิสรณะของขันท่า ถ้ามาตั้งโจทย์ก่อนนะตั้งโจทย์แล้วก็มาคิดเอสุขโสมนั้นอันใดที่เกิดขึ้นเพราะขันห่านะอันนั้นเป็นอาสาท่ของของขันห่าอะไรเป็นอาทีนวะของขันห่าล่ะแล้วอะไรเป็นนิสระของขันห่าท่างก็คิดอย่างนี้นะท่านตั้งคําถามตั้งแ ต, ง ต, งตง่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออะไรนะเป็นอาสาท่าของผสัสสะยตนาทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทำยังไงจะถ่ายทอนหรือนิสารณะสลัดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ท่านก็นรขควรค้นคิดเ่ยนะการค้นว่าอะไรเป็นอั ส, สาทะของมหาพูดสหรือธาตุสีของขันห้าของอายตนะทั้ง6เนี่ยคือการค้นหาสมุทัยสัตว์นี่ย น, นะการค้นหาทุกโทษของธาตุสีของอุปาทานขันห้าของมหาพูดนั่นแหละคือการพิจารณาทุกขสัตว์ การพิจารณาอย่างนี้ตัดฉันทราคะได้แน่อันนั้นแหละเป็นตัวตัดฉันทราคาเป็นนิโรศสัตว์วั้นข้อปฏิบัติในการเจริญจริงๆก็คือตัวที่ตัวปัญญาที่ไปพิจารณาอาศาัศธาอาทีนวะนิสรณะณปัญญานั้นแหละเป็นเป็นข้อปฏิบัติเป็นมักละอ่างนั้นนี่ยท่านก็คิดอยู่อย่างนั้นอ่ะคิดจนเห็นอริยสัจได้เอาสิแต่พื้นฐานมีเรื่องอ่ะถ้า คนที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะจะต้องมีพื้นฐานกรร ม, มสกตาเป็นอย่างดีใช่ไหมต้องมีพื้นฐานเรื่องอติตังสยานานาคตังสยานจุตูปปตาตยานเนี่ยคือคือถ้าจะบรรลุเองรู้เองเนี่ยโอ้ยพื้นฐานอย่างอื่นมาตั้งมากแล้วมาค้นคิดไปเนี่ยนะแล้วก็ท่านท่านไม่ใช่ว่าท่านจะบอกโอ้บรรลุแล้วดีใจทันทีแล้วรีบไปบอกคนอื่นนะไม่สอบสวนว่าบรรลุยังไงบรรลุมาจากอะไรมาเหตุมายังไงผลยังไงเนี่ยนะตรวจสอบอยู่ตั้งนานนะี ไม่ใช่พรีผามเลยอย่างอย่างสัปดาห์แรกที่พระองค์แรกตรัสรู้เนี่ยพอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะท่านส ว, วัสิมุติสุขถึงวันที่เจ็ดพอคืนของวันที่เจ็ดเนี่ยท่านทําไงปรถมมยามนะสี่ชั่วโมงพิจารณาปฏิจจพิจารณาปัจจัยก็คือพิจารณาสมุทัยศัจ น, นะนะสี่ชั่วโมงแรกนะสี่ชั่วโมงที่สองพิจารณานิโรสัจ นะถ้าปัจจัยดับปัจจยุมบันดับเนี่ยนะ ค, คือพิจารณานิโรธสัจจะเนี่ยนะและอีกสี่ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยพิจารณาอริยมรรคคิดดูนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาอริยสัจอยู่ส2ชั่วโมงเนี่ยนะจะขนาดไหนเอาอันนี้อีกในหนึ่งยนะแล้วสัปดาห์อันนี้สัปดาห์แรกถ้าสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สองก็คื อ, อยืนทอดพระเนตรดูต้นพระศรีหมหาโ พ, พธิเทพนั่นบาลังเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าดูเฉยๆก็พิจารณาธรรมด้วยนั่นแหละสัปดาห์ที่สามเดินจงกรมอีกสัปดาห์สัปดาห์ที่สี่ส 4, นั่งพิจารณาพระธรรมอีกเจดวันนะ่ะนั่ะนั่งพิจารณาที่เรียกว่ารัตนคระเจดีเนี่ยนะพิจารณาพิธรรมอีกเ็วันนะ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็พิจารณาธรรมด้วยเข้าสมาบัตพิพิจารณาธรรมเนี่ยกว่าจะได้ไปสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้ทบทวนเลยนะผ่านการกลั่นกรองทบทวนหมดเลยอะ่ะ นั้นการตรัสรู้อย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยพระองค์ทาได้โดยลําพังพระองค์เองนั่นเองเนี่ยนะแท้จริงความเป็นผู้ชํานาญในพระธรรมทั้งหลายมีการตรัสรู้ธรรมที่ควรตรัสรู้เป็นอัตนะพระองค์ให้ชํานาญในพระธรรมนะยามที่เป็นพระละคือกําลังกําลังที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรก็ทศพลญาณสิบนะยามที่เป็นกําลังสิบคือพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นฐานะอาถรรพะฐานะแปลว่าเหตุนะอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุ ผลเนี่ยมาจากเหตุใดอันนี้ไม่ใช่เหตุของอันนั้นอันนั้นเป็นเหตุของอันนั้นเนี่ยนะอันนี้แยกได้ออกหมดเรียกว่าฐานาฐานายานฐานะาอัถานะาเนี่ยนะอย่างที่สองก็คือกรูกร ร, กก ร, ร ม, มวิปากยานรู้เลยว่ากรรมอะไรเนี่ยกรรมที่มันเกิดนะีะมันให้ผลยังไงมาอย่างไงไปยังไงอะไรเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่าสัพพัทคามินีปฏิปทาญาณปฏิบัติอย่างนี้มีผลต่อไปยังไงอนธรรมอย่างนี้มีผลต่อไปยังไงแล้วพงอยังมี ยานอื่นๆอีกตั้งมากเนี่ยนะรู้ความพองแผ้วความพองใสของฌานสมาบัติพิโมกต์รู้ความยิ่งความย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายและลึกชาติของสัตว์เหล่านั้นได้ทั้งหมดเห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งหมดจนถึงสามารถแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นนั้นออกจากวัตฏะสิ่งเหล่านี้เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียกว่าทศพลยานเนี่ยนะทีนี้ถ้าทศพลยานอ น, นั้นเนี่ยเกิดจากอะไร เนี่ยนะหรือสัพพัญยุตยานที่ที่มาช่วยทํากิจของโทศพลยาณนี่เกิดจากอะไรเขาเกิดจากการตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละเป็นความหมายเป็นอัฏฐะถ้าท่านไม่ตรัสรู้อริยสัจไม่รู้จะเอาอะไรมาแนะนําคนอื่นเลยนะไม่รู้จะมาสอนเขาว่าอย่างไงถึงระลึกชาติได้นะเออเนี่ยอดีตชาติแกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถามมาถึงมานั่งเล่า ว, ว่าแกอดีตชาติเป็นยังไงอ่ะเล่าเพื่ออะไรจะทําให้เขารู้อริยสัจไหมหรือลึก เหรือถ้าเล่าแต่อดีตรู้อดีตแต่ชาติเฉยๆโดยไม่นําไปสู่การรู้อริยสัจมันจะได้ประโยชน์อะไรดีไม่ดีสัตตถิเทนะนะเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการพูดถึงอดีตหรือการพูดถึงอนาคตเพื่อจะได้เห็นภัยของของขันห่าว่าอดีตขันห้ามันในมีสาระหรอกเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละมีเกิดชาติไหนที่ยงบั่งอ่ะมีเกิดชาติไหนได้สุขแท้จริงบ้างอ่ะมีเกิดขันได้ขันอันไหนบ้างที่มันมั่นคงถาวรก็ไม่มี แล้วถ้าเกิดพบใหม่อีกต่อไปต่อไป้วจะมีขันไหนเที่ยงมั่งละ่ะไม่มีได้ซักอย่างแล้วขันที่มีอยู่ในปัจจุวัน ล, ละ่ะไม่เห็นมีในความแน่นอนมั่นคงอะไรซักอย่างยิ่งพังไปนะฮะก็ยิ่งเห็นว่าเออทำไมเขาถึงได้สอนกันว่าออการตัดสรุปของออการตัดสรุปธรรมเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการพิจารณาใครควรฝ อ, อนไปได้ยังไงนะครับออพระพุทธเจ้าทรง ไปเห็นอะไรธรรมะที่มันบูบมันวาบขึ้นมาไปรู้สภาวะธรรมอะไรอย่างเดียวแล้วกิเลสหมดแล้วสอนคนอื่นได้ด้วยเนี่ยมันคนเลื่อนคนลาลาวเลยนะนะยูู่แล้วก็วูบขึ้นแล้วก็โหสอนใครไปดอกได้เลยไม่ใช่แล้วเนี่ก็เมื่อผู้เช่าพระองค์ตัดสู้ตามแนวนี้เนี่ยเราจะตัดสู้ตามถ้าเราไม่ไปตามอย่างพระอย่างเงี้ยกลับไปตัดสู้อีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยะ มันเป็นไปไม่ได้ครับเออก็สอนกันอยู่ได้เหมือนกันนะแล้วคนเลี้ยงก็เรี้ยงกันอยู่ได้เหมือนกันนะเราก็เรียนก็ว่าตามเป็นยังไงเลยก็มีอะไรบ้างไม่เป็นที่ตั้งของที่ถูกปาทานนะไม่มีใครรู้นะผมเนี่ยแหมอผมอยากจะบอกดังๆเลยนะบอกปะก้วงเนี่ยเอยไม่รู้จะบอกยังไงนะอยากจะบอกจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้อย่างจะบอกจรมันไม่ใช่มันไม่ได้อยากจะบอ ทนี้ต่อไปนะว่าพระประเจกโพธิบ้างะนะพระประเจกโพธิว่าชื่อว่าพระปัเจกโพธิเนี่ยนะเพราะตรัสรู้ด้วยตนเองทีเดียวเป็นส่วนตัวะนะด้วยตัวเองอคําว่าส่วนตัวก็คือไม่ใช่คือถ้าส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อสาธารณะนะก็รู้ละแต่ว่าเฉพาะส่วนตัวอธิบายว่าไม่ได้ตรัสรู้ตามใครได้แก่แต่สรู้สัจธรรมด้วยสับสยมภูญาน ท่านใช้สับระวังมากเลยนะตรัสรูส้สัจธรรมด้วยสยมภูญานสัจจะสัจธรรมสัจจะก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคกันนะสยมภูญานยานที่เป็นเฉพาะตัวเนี่ยนะพราะในคําว่าตรัสรู้หรือบรรลุบรรลุเขาบรรลุแล้วเนี่ยนะต้องบรรลุอริยสัจนะสมัยใหม่เนี่ยก็บอกอู้ยเมื่อไหร่เราจะบรรลุสักทีหนึ่งไม่รู้จะบรรลุอะไรเลยเหมือนกันเนี แล้วทุกข์กกกมันเป็นยังไ ง, ไงไจึงอยากบรรลุเลิกเกินทุกข์อ่ะสมุทัยเป็นยังไงจึงอยากบรรลุสมุทัยเนี่ยนะนิโรธเป็นยังไงจึงอยากบรรลุนิโรธมักเป็นยังไงจึงอยากบรรลุมักอ่ะนะในตรงนี้ก็ต้องชัดเจนก่อนใช่ไหมถ้าไม่ชัดตั้งแต่แรกแล้วหมาปรารถนาบรรลุเลิกเกินเนี่ยบรรลุอะไรเพราะใบที่ที่บรรลุก็คือบรรลุว่าทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นสมุทัยเนี่ยมันมันประมวลมาซึ่งทุกข์นิโรธมันออกจากทุกข์นิพพานเนี่ย เป็นธรรมะที่นาออกจากทุกจริงๆอ่างนั้นเถอะโ้ถ้าถ้าอันนั้นแหละเาเรียวกว่า บ, บรรลุเนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่รู้เว้ยว่าจะบรรลุยังไงบรรลุอะไรนี่มันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนไงว่าอาเข้าแล้วนี่มาอยู่ป่าแล้วเนี่ยจะเอาให้มันบรรลุเลยบรรลุอะไรเนี่ยนะนบรรลุยังไงเนี่ยนะแต่ก็อ้างอง น, นะนะมีอริยัอยู่ะ้นะหรือว่ามกมีกลอบบ้องหมดแลนะ้วด้วยนะอ่านนะอ้าง อ, อ้างมาัตขด้วยใช่ไห ม, มนั่นะ แล้วมักษัตริย์นี้ของพระพุทธเจ้าก็ของใครก็ไม่ทราบนะคือมักเนี่ยเป็นมักละเนี่ยนะแต่ว่ามักเนี่ยมันก็มีหลายมักเนี่ยนะอาทิตย์ก่อนโน้นอาทิตที่ภูการไม่ได้ไปเนี่ยนะเขบอกมักมันมีหลายมักนะมีทั้งสัมมามักมีทั้งมิจฉามักเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีข้อหนึ่งเรียกว่าสัพพัทธคามไมนีปฏิปทาญานคือรู้ปฏิปทาหรือมักที่นําไปสู่พบทั้งปวง และมักในนําไปสู่ที่ไม่ใช่ภพนะมักบางอย่างเนี่ยนะก็เป็นมักแต่นําไปไหนอ่ะมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกปะเป็นต้นอ่ะนําไปที่ไหนมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาชีวะเนี่ยมักเหล่านี้นําอบายใช่ไหมเนี่ยพวกเดรชาทั้งหลายเนี่ยเขาดําเนินตามมักมานะเขาจึงได้เป็นเดรชานแต่ว่ามักไม่ดีคนละมักนะนะคาราที่เราทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็มาด้วยมักนะ คือแนวทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นเป็นมนุษย์หรือมรรคที่นําไปเกิดเป็นเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็ไปด้วยมรรคแล้วพระพุทธเจ้ารู้ทางที่เพื่อพ้นจากภพทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปรารถนาหรือเรียกว่าปฏิบัติตามมรรคหนึ่งนะ่าต้องนึกถึงเรื่องถนนก่อนอันนั้นมรรคก็แปลว่าถนนน่ะนะทางทางไปไหนตอนแรก พูดแบบชาวโลกก็รู้กันก็คือทางไปในเนี่ยทางไปเชียงใหม่ทางไปกรุงเทพทางไปพิษณุโลกนครสวรรค์ทางไปประเทศต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นทางก็เรียกว่าทางรถทางเกวียนทางเรือทางบกทางน้ําเนี่ยอันนี้ก็ทางละแต่ทางแบบนี้ไม่เรียนก็รู้นะไม่ใช่วิชาของพุทธศาสนาอยู่แล้วถ้าจะมาสอนทางแบบนี้นะก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะชาวโลกเขาโอ้เขาส่องกล้องเป็นด้วยนะเขาสร้างทางด้วยอย่างนั้น ทีนี้ทางต่อไปก็คือทางนรกอันนี้ก็เป็นทางเหมือนกันนะที่ละเอียดขึ้นไปหน่อยสองก็ทางอะไรเดชะน์สามทางไปสู่เปรตสี่ทางมาเพื่อความเป็นมนุษย์ห้าทางเพื่อเป็นเทวดารวมทั้งพรหมแล้วก็มีทางอันหนึ่งที่เป็นทางพิเศษคือทางที่นำออกจากนรกเปรตอสุรกายเดรชานมนุษย์และเทวดาอันนั้นแหละเรียกว่าทางแห่งการไปสู่อัคติทั้งปวง อคติในที่นี้หมายถึงไม่ใช่คติห้าทางเพื่อพ้นจากคติทั้งห้าอันนั้นคืออริยมรรคทั้งแปดอริยมรรคมีองแปรเนี่ยเห็นอะไรเห็นอริยสัจนี่แหละตรัสรู้อริยสัจทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดมรรคเนี่ยนิยานิกัรโถเนี่ยออกสัมมาทิฏฐิออกจากอะไรสัมมาทิฏฐิเนี่ยออกจากมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกปร์ออกจากอะไรออกจากมิจฉาสังกปร์ สัมมาวาจานี่ออกจากมิจฉาวาจาสัมมากัมมันตะออกจากมิจฉากัมมันตะมิจฉาวายะมิจฉาอาชีวะออกจากขอไภัสัมมาอาชีวะออกจากมิจฉาอาชีวะเนี่ยนะสัมมาวายามะออกจากมิจฉาวายามะสัมมาสติออกจากมิจฉาสติสัมมาสมาธิออกจากมิจฉาสมาธิ ทีนี้ถ้าทั้งหมดนั้นถูกต้องก็เป็นสัมมาวิมุตติออกจากมิจฉาวิมุตติเนี่ยนะทีนี้น่าทั้งคําถามว่าถ้าใครบอกว่าเขาเดินตามมรรคเนี่ยเขาออกจากมิจฉาทิฐิอันไหนได้บ้างแล้วถ้าเขาบอกว่าปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิใช่หมหนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฐิสองวิปัสสนาสัมมาทิฐิที่เป็นสัจจานุโลมิกฉาเนี่ยนะหรือมรรคสัมมาทิฐิผลสัมมาทิฐินี้เขาออกจากมิจฉาทิฏฐิอันไหนได้บ้าง ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ไอ้มิจฉาทิฏฐิมันเป็นยังไงได้เหมือนกันไหมไม่ใช่ว่าไม่รู้ไอ้มิจฉาทิฏฐิมันเป็นยังไงแล้วสัมมาทิฏฐิจะรู้ได้ยังไงถ้าจะรู้จักความสว่างแปลว่าคนนั้นรู้จักคําว่ามืดถ้าใครที่รู้จักทางถูกแสดงว่าคนนั้นรู้จักทางผิดใครที่รู้ตัวก็แสดงว่ารู้ว่าเคยหลงใช่ไหมอันนัใครที่ที่รู้ทิศก็แสดงว่ารู้ว่าถ้าหลงทิศเป็นยังไง นี้ก็เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยอบรมสัมมาทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นมรรคอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเราออกจากมิจฉาทิฐิอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้ารู้ความเกิดละอุเฉททิฐิคําว่าเกิดเนี่ยครั้งเกิดโดยปัจจัยและโดยขณะเนี่ยนะโดยปัจจัยคืออะไรเพราะปัจจั ย, ยบันทั้งหลายก็ต้องเกิดโดยปัจจัยเนี่ยนะเกิดโดยปัจจัยเพราะถ้ารู้เหตุเกิดถูกต้องละอุเฉททิฐิถ้ารู้ความดับถูกต้องอ่ะ ละสัสตะทิธิเนี่ยนะถ้ารู้ความเป็นสังขารทั้งปวงความเป็นขันอาญตนาธาตุก็ละสกายติฐิถ้ารู้ปัจจัยก็ละความสงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะเพราะถ้ามีสัมมาทิฏฐิจริงก็ต้องออกจากออกจากสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นจริงถ้ามีสัมมาสังกัปะจริงต้องออกจากกามสังกัปปะถ้าถ้าปฏิบัติชอบนะ ถ้าถ้าอบรมส um. ัมมาสังกปะก็ต้องออกจากมิจฉาสังกปะถ้าเจริญเนคขมะสังกปะก็ต้องออกจากกามสังกปะถ้าเจริญไออัพยาปาท่าสังกปะก็ต้องออกจากพยาปาท่าสังกปะเนี่ยนะเพราะเพราะมักเนี่ยแปลว่าออกอยู่แล้วนิสรณโถเนี่ยนะออกมันต้องออกจากบาปจากอกุศลถ้าเราปฏิบัติถูกเน่ยเราดูว่าออกจากอกุศลอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยภาษาโลกสมัยพุทธกาลท่านคิดกันว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยมีอุปการะคุณมากกว่าระมากหนอเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีอุปการะคุณแกเราจริงจริงทําทำไมพระองค์เนี่ยนำเราออกจากบาปอกุศลทั้งหลายเป็นอันมากหนอพระองค์เนี่ยนำเราให้เข้าถึงกุศลจริงๆหนออันนี้ก็เป็นเครื่องเช็คอย่างหนึ่งว่าเออเราเนี่ยปฏิบัติได้ขนาดไหนเนี่ยนะปฏิบัติดีขนาดไหนก็ดูจากการออกจากบาปออกจากบาปอะไรได้บ้างแล้ว เพิ no uh, ่มพ right. so so <ió offenses. S 1> ูนบุญอันไหนได้บ้างอีกแล้วเนี่ยนะอันนั้นแหละจึงจะเรียกว่าเออดําเนินตามมักที่พระองค์สอนไว้จริงๆแต่ว่าถ้าออกจริงก็ต้องออกจากสังฆตะธรรมทั้งปวงนะจึงจะเรียกว่าออกจริงถ้ายังไม่ได้ออกจากสังฆตะธรรมอะไรเลยก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ก็คิดว่าว่าออกกันนะชั่วคราวนะไม่งั้นก็เสียศีลเสียธรรมหมดนะนักเข้านี่นะมิฉาวาจามากก็มาร้องแบบที่เรากําลังได้ยินเนี่ยนะไม่รู้ร้องทําอะไรนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ย ทีนี้ต่อไปนะว่าความจริงเนี่ยการตรัสรู้สัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแม้เป็นไปอยู่ด้วยพระองค์เองทีเดียวโดยเป็นส ย, มยามภูญาณเชื่อว่ามีผู้ตรัสรู้ตามเพราะเหตุแห่งการตรัสรู้สัจธรรมของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เดียวเนี่ยนะผู้ตรัสรู้ตามเนี่ยแค่ไหนนับไม่ได้เลยนะอย่างเช่นธรรมจักรสู่แรกเนี่ยบรรลุพรหม18โกดใช่ไหม หลังจากนั้นอีกบรรลุไปเท่าไหร่เช่นอนัตตลขณาสูตรเป็นต้นหรืออนุปปพิกถาหรือพรมนารถกัสปะชาดกเนี่ยบรรลุเนี่ยสิบเอ็นอ่ะเออสิบเอ็มื่น่ะเนี่ยนะสิบเอ็ะ 11, 000, อะ 11, นะหุดเนี่ยนะแล้วก็สูตรอื่นๆอีกจูลาราฮุโล ว, วาท่าสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะมหาสมัยสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเนี่ยนะยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุหาประมาณไม่ได้ แล้วก็บรรลุติดตามเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาถามว่าสมัยนี้บรรลุมีบรรลุไหมเอาบรรลุเขาไม่มาบอกเราหรอกเนี่ยนะถ้าใครบรลลุใครจะมาบอกเราเนี่ยแข่คนรักษาศีลเนี่ยไปเที่ยวประกาศใช่ไหมว่าฉันรักษาศีลอย่างไงเนีไม่ประกาศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วก็ทําพาสัตว์อื่นให้ตรัสรู้ตามเนี่ยหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะส่วนพระปบาเจกนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมตรัสรู้ได้แต่เพียง ผู้เดียวเนี่ยทีนี้คําว่าสาวกนะสาวกแปลว่าเกิดในที่สุดแห่งการฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาความเป็นสาวกเนี่ยนะมีหลังจากการฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วทํากิจแห่งอริยสัจได้บรรลุอริยสัจเรียกว่าสาวกเนี่ยนะคนอื่นก็เป็นเพียกสุตะนะแต่ไม่เรียกสาวกใช่ไหมคนอื่นเรียกสุตะเฉยๆเรียกว่าได้ยินแต่ไม่เรียกว่าสาวกเรียกว่าผู้ฟัง เพราะว่าไม่ได้ทํากิจของการของของผู้ที่ฟังจริงๆอ่ะนะคือคือผู้ที่ที่เรียกว่าผู้ฟังอย่างแท้จริงเมื่อทํากิจอ่ะนะเช่นศีลกิจควรเป็นยังไงสมาธิวิปัสสนาเป็นต้นอ่ะต้องบําเพ็ญกิจเหล่านั้นยังไงทุกทำกิจยังไงสมุทัยทำกิจยังไงนิโรธทำกิจยังไงอ่ะเมื่อทํากิจนั้นนแล้วอ่ะจึงจะเรียกว่าจึงจะเรียกว่าสาวกเนี่ยนะถ้ายังไม่ได้ทํากิจเหล่านั้นก็เรียกว่าสุตะเนี่ยนะเรียกว่าผู้มีสุตะ ถ้ า, าผู้รู้สุดตายนี่เรียกว่าสุดตพุทธเนี่ยนะแต่ในที่นี้ประสงค์เอาผู้ที่เห็นอริยสัจตามตา ม, ตามจริงตามแท้เลยนะการตรัสรู้สัจธรรมคืออริยสัจส์4ของภาษาวกทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าสาวกสมัมโพธิเนี่ยนะทีนี้การตรัสรู้ธรรมะหรือการตรัสรู้ทั้งสอย่างคือสัมมาสามัมโพธิปจเจกโพธิสาวกโพธิของพระโพธิสัตว์ส า, สามจำพวกเนี่ย เพิ่งทราบว่ายังการเจริญโพธิปักขยธสามสิบเจดประการมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นเนี่ยให้บริบูรณ์นะคือที่การบรรลุจริงๆอะคืออะไรคืออริยมรรคที่เกิดขึ้นทํากิจเนี่ยนะละกิเลสมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ย ค, คือขณะที่โพธิปักขยธรรมสิบเจ็ดเนี่ยประชุมกันถามว่าก่อนที่โพธิปัจขยธรรมสิบ็ดมาประชุมกันเนี่ยมายงงอย่างไงเนี่ยนะ ยูยูแล้วโพธิปักมาประชุมวิ่งมาประชุมกันเองโดยเก็เรียกว่าเหมือนอะไรนะมยูยูแล้วชวนรัฐมนตรีมาประชุมกันที่นี่สาท่านอย่างงี้ยนีไม่มีเหตุมีผลเนี่ยยูยูเป็นไปได้ไหมไม่ได้ต้องมีการจัดแจงกันอย่างอย่างยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะซึ่งไอ้โพธิปักคยธรรมเนี่ยแต่ละอย่างหนักยิ่งใครว่ามียิ่งกว่ารัฐมนตรีเหงือนันนะเพราะนั้นมันจะไม่ใช่ว่าจะยูยูแล้วให้ท่านทั้ง37เเหล่านี้มาประชุมกันได้ง่าย ๆ, ๆนะ เพราะฉะนั้นถามว่าทํำยังไงอะ่ะโพธิปัจขยธรรมเหล่านี้จึงจะประชุมกันได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถประทำให้การประชุมโพธิปัจขยธรรมได้อะ่ะอันนั้นแหละเรียกว่าผู้อบรมตนเนี่ยนะหรือผู้อ่ะถ้าจะกล่าวไปอีกในหนึ่งอ่ะนะว่าถ้าไม่มีโพธิปัจขยธรรมนะการตรัสรู้อริยสัจมีไม่ได้ ถ้ามาถ้าทำมาสามสิบเจ็ดประการไม่ประชุมกันนะอย่างของเราทั้งหลายนีย่ทุกเราก็ได้ยินได้ฟังมานะสโมไทยเราก็พอรู้ะนะรู้อาสาธ า, าอาธีนวะพอสมควรรู้ว่าเออนิพานเนี่ยอสังกตานําออกจากทุกจริงทําไมเราไม่บรรลุทําไมเราไม่บรรลุถ้าตั้งคําถามแบบนี้ขึ้นนะก็เนื่อเราประชุมสามสิบเจ็ดได้ไหมล่ะประชุมคณะรัฐมนตรีสาสิบเจ็ดท่านนี้ได้ไหมถ้าประชุมไม่ได้สัญญาเนี่ยการเซ็นสัญญาไม่เกิดนั้นนหะ นะมะติในนะเครื่องมือไม่พร้อมถึงรู้ปัญหาก็แก้ปัญหาไม่ได้ น, ะ น, ะ น, ะนะีนะเพราะโพธิปัจจยธรรมสามิบเจ็ดนี่เป็นเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหานะีนะก็จริงจริงธรรมะเหล่านั้นนะถ้าถามว่าทั้งสาสิบเจ็ดนี่สําคัญทุกข้อนั่นแหละแต่ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าแล้วแต่การอ่ะถ้าเราชอบแบบย่อๆเราก็เรียกสติปัฏฐานก็ได้ถ้าพูดสติปัฏฐานอ่ะนะธรรมะอื่นๆก็ต้องเข้ามาร่วมด้วย หรือจะพูดอินซีธรรมะอื่นๆก็เข้ามาร่วมด้วยนะหรือจะเรียกองค์มัค ก, ก็ได้ในใน37จะยกอันใดอันหนึ่งขึ้นเป็นหลักก็ได้อย่างเช่นเราคุ้นเคยกันว่าเจริญสติสัมโพชง อ, อาศัยวิเวกอาศัยวิรา่าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนี้เราได้ยินใช่ไหมหรือเจริญสัตทินรีเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอันนี้ก็มี หรือเจริญที่เรียกว่าสัมาธิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะเนามไปเพื่อการสละอันนี้เราก็ได้ยินเพราะฉะนั้นสรุปว่าเจริญอินทรีย์เจริญพระอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอย่างนี้ก็มีเจริญโพชฌงเนี่ยนะโพชฌงทั้ง7เนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละก็มีหรือเจริญมรักองคมรักเนี่ย อาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละก็มีหรืออย่างที่เมื่อเรียนเนติปกรณ์ก็คือเจริญอิทธิบาทสี่อ่ะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้จะต้องมีให้เพียงพอต้องมีอัธยาศัยอย่างนั้นจริงๆน้อมใจตัวเองไปหาวิเวกแต่ทางข้าวิเวกแต่ทางข้าววิเวก วิคขำพนวิเวกสมุดเฉทวิเวกถามว่าสมมติสติของเราเนี่ยที่เราว่าอบรมสติเราน้อมไปหาวิเวกเหล่านี้แค่ไหนน้อมไปหาตาทางคข้าวิเวก ค, คือวิปัสสนามากไหมน้อมไปหาสมุดเฉทวิเวก ค, คืออริยมรรคขนาดไหนน้อมไปหานิสรณวิเวก ค, คือพระ น, นิพพานโดยอัธยาศัยเนี่ยมากพอหรือเปล่าหรือวิราคานิโรธะหรือน้อมไปเพื่อจะสละกิเลส น้อมไปเพื่อจะแทงตลอดพระนิพพานเล่นไปสู่นิพพานอย่างเดียวเนี่ยนะถามว่าเจตนาของเราอัธยาสัยของเราเนี่ยแข็งแรงขนาดนั้นไหมคเครียกว่าโอนพอขนาดนั้นไหมที่จะไหลไปสู่ส ม, มุดได้เนี่ยนะยถ้าไม่ได้ตั้งจะโอนก็โหนก็อีกนานอะย่างนั้นก็อย่าเพิ่งเรียบนักเลยอย่างั้นพอเรีบไปแล้วจะหลงทางนะคุณชูวนอยิ้งสองรอบนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งสองรอบอยู่ตรงไหนวัดนะ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าถ้าไม่มีธรรมะสามสิบเจ็ดเนี่ยนะบรรลุไม่ได้หรอกงั้นก็ไม่รู้ว่าจัดพรมจัดประชุมกุศลธรรมเหล่านี้ให้ดีแต่จะจะประชุมได้หรือไม่นะอยู่ที่ว่าอัธยาศัยเนี่ยต้องการต้องการบรรลุจริงแค่ไหนล่นะนั้นอยู่ตรงนั้นอี ก, ก น, นะก็เจริญเนี่ยเราลึกถึงพระพุทธเจ้านะพระองค์บรรลุเราต้องบรรลุให้ได้อย่างพระองค์ไง น, นะเราแล้วก็เออพระพุทธเจ้าบรรลุเนี่ยดีจริงเนาอันนี้เราเชื่อไหม แต่เราต้องบรรลุตามพระองค์ให้ได้อันนี้ตามด้วยไหมคิดแบบนี้ต่อด้วยไหมอย่างนั้นนะอันนี้สําคัญมากถ้าไม่มีการตั้งจิตตั้งอัธยาสัยแบบนั้นเนี่ยโอไม่รู้จะบรรลุอะไรเรื่อยๆก็ยังไม่รู้จบที่ไหนจบยังไงจบยังไงเนี่ยนะจริงนะถ้ามีการตั้งเป้าหมายไวหรือว่ามีอัตตาสมาปณิทิในทุกๆองค์ในสาริเจ็ดนี่นะฮะจะต้องมีเนี่ย แล้วถ้าไม่มีอันใดอันหนึ่งเสียนสมมุติว่าศรัทธาเราไม่มีเนี่ยมันมันไปไม่ได้จริงๆมันเสียหายจริงๆเมื่อเราไม่ได้ตั้งไว้เนี่ยเราก็ไม่ได้เจริญในในเรื่องสัจทินรีก็ไม่เรลิกก็ก็เว้นหรือวันละเลยในเรื่องในเรื่องศรัทธาทั้งหลายศรัทธาเนี่ย น, นะจะรู้ได้ก็สังเกตจากศีล สัททินรีก็คือศีลนี่นแหละผู้ที่มีศีลบริบูรณ์นี่นแหละคือมีสัททินซีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านเราตั้งเป้าหมายอัตตาตมาปนิธิไว้ในเรื่องศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องไปขวนขวายว่าเออมมันท่าศรัทธามันเกิดจะต้องไปจะต้องไปพ่อคุณอะไรเช่นจะต้องไปพ่อคุณฮีริโอตับปัสสัธานี่นะศีลในตรพวกนี้ก็ อ, อย่างที่เราเคยศึกษาใช่ไหมว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัททินรีใช่ไหมบริบูรณ์ด้วยศรัทธาหรือเป็นผู้ที่มีอาจาราศรัทธา แล้วก็มาถามว่าเรามั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าขนาดไหนพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ฤๅษีสัจจริงๆนะอั น, นะถามว่าเราเนี่ยมั่นใจแค่ไหนอันน่ะกระว่ามั่นใจในทุกอิริยาบทหรือเปล่าอย่างเงี้นะหรือว่าพ่อแค่คิดถึงคํานี้ปั๊บนิ่วอนเนี่ยไม่กลุ่มรุมเลยอ่ะอะแค่ไหนนะที่จะประกาศถึงผู้มีสัตย์ทินรียันะหรือเ ล, ลึกถึงพระธรรมอ่ะเออพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านําออกจากทุกเหล่านี้จริงๆ ภาษาดีบุตรปฏิบัติดีจริงๆอ่ะนะนึกถึงแล้วเลื่อมใสผ่องใสสบายใจเลยนะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นก็โอ้โหแสดงว่าสัตว์ตินทรีมีกําลังมากแต่นึกแล้วก็ก็ธรรมดานี่ก็แสดงว่าแหมอ่อนมากะนะทีนี้ดังว่าทีนี้พูดถึงการตรัสรู้อริยสัจเวน้นการตรัสรู้ด้วยสัจจกิริยากิจเสียแล้วการตรัสรู้ด้วยภาวนากิจจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่บรรลุพระนิพพานนะ จะไม่ชื่อว่าภาวนาภาวนากิจที่ที่จริงๆอ่ะนะถ้ายังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าภาวนายังไม่พอหรือว่ายังไม่ได้ทํากิจแห่งภาวนาจริงๆเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเว้นการตรัสรู้ด้วยสัจฉิกริยากิจเสียแล้วการตรัสรู้ด้วยภาวนากิจจะเกิดไม่ได้เลยนะต้องมีอสังขตะทำเป็นอารมณ์เมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะเรียกว่าทําภาวนากิจอย่างเพียงพอมีนิพพานเป็นอารมณ์จนพอ และเมื่อมีการตรัสรู้ภาวนากิจการตรัสรู้ปหาการตรัสรู้ด้วยปหานาิจและการตรัสรู้ด้วยปริญญากิจย่อมชื่อว่าเป็นอันสำเร็จทีเดียวนะสูตรเขา ง, ง่ายๆนึงถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานจะชื่อว่าภาวนาไม่ได้ะนะถ้าไม่ทําแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะถ้าไม่ทําหน้าที่ให้แจ้งพระนิพพานการทําหน้าที่เจริญมรรคอะ หรือเจริญภาวนาก็ยังไม่ใช่ถ้ายังไม่ใช่เจริญภาวนาที่เป็นมรรคโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าละแท้จริงยังไม่ได้ชื่อว่ากำหนดรู้ที่แท้จริงก็ผู้ที่ที่เรียกว่าละสิ่งใดได้นะต้องออกจากสิ่งนั้นแล้วจรึงจะเรียกว่าละเนี่ยนะเช่นถ้าเราบอกว่าปหานะปริญญาในทุกขสัตต์ต่อเมื่อออกจากทุกขสัต์แล้วนะจึงจะชื่อว่าปหานะปริญญาได้อย่างแท้จริง